ลีลาวดีเขาพเจ้ารักท่านยิ่งกว่ารักชีวิตข้าพเจ้าหัวใจข้าพเจ้าทรยศต่อท่านผู้มีพระคุณซะแล้ว พระเจ้าทราบดีว่าตัวเองเป็นเพียงเด็กจันทารเดนมนุษย์ไม่ควรฆ่าแม้แต่จะเช็ดเท้าให้ท่านและได้พยายามห้ามจิตใจตัวเองไว้แต่มันก็ไม่ยอมเชื่อฟังลิลาวดีท่านไม่ต้องเสียใจข้าพเจ้าไม่ต้องการแม้แต่คําว่ารักจากท่าน เพียงขอบอกความจริงใจแก่ท่านเท่านั้นข้าพเจ้าไม่สามารถจะเก็บมันไว้ได้อีกต่อไปแล้วถ้าท่านเห็นว่าการบอกความจริงใจของข้าพเจ้าเป็นการศกประมาทวันณระรามอันสูงสักของท่านก็จงลงโทษประหารชีวิตซะเลยข้าพเจ้ายินดีจะตายแทบเท้าท่านตายอย่างเป็นสุขข่าพระเจ้าเทวตั อย่าพูดตอบไปนะฉันไม่อาจทนฟังคำพูดของเธอได้ลีลาวาดี <c oughs> ท่านเป็นอะไรไปอ่ะโปรดบอ ก, บอกข้าพเจ้าด้วยสิหัวใจของข้าพเจ้าขณะ น, นี้ร้อนดอนระดุดมีกองไฟสุ่มอยู่ข้างในท่านตรวข้าพเจ้าเหรอที่ข้าพเจ้าร่วงเกินท่านด้วาจาน่ะลาเราเรยละตะที่จะเกิดเธอทำไม ควณหัวเราะร่าเริงด้วยความปราบเพลิมใจที่ได้ฟังคําพูด้นไพ่รอะของเธอแต่ว่าแต่ว่าอะไรเนี่ยลีลาสวดีเมื่อควรคิดถึงสภาพความเป็นอยู่ระ ว, ว่างเราทั้งสองละ่ะฉันึลยเลือกเอาล้างหายแทนหัวเราะแต่เธอก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่เรอว่าน้ำตาของคนเราไม่ใช่เครื่องหมายของความเศร้าโศกเสียใจเสมอไปดังครั้งดังคราว จันก็เป็นเครื่องหมายเห่งความดีใจมากมายด้วยถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าท่านไม่โกรธข้าพเจ้าทั้งยินดีจะฟังคําพูดเช่นนั้นของข้าพเจ้าดีลาวดีข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจว่าเธอเข้าใจว่าอะไรเรีว่าจับข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจว่าท่านก็รักข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน จะต้องขออภัยถ้าความเข้าใจของข้าพเจ้าผิดไปมีผิดดอกเรวตาเธอเข้าใจถูกแล้วลีลาวดีข้าพเจ้าฟังผิดไปหรือเปล่าขันรักข้าพเจ้าเธอฟังไม่ผิดดอกเรวตะฉันเองก็มีใจตรงกับเธอลีลาวดีถ้าความดีใจและความสุขใจเป็นของมีตัวตน มันคงจะดันหัวอกของเรวัตตะระเบิดเป็นสิ่งเสียงแล้วขอให้ทาดผู้ซื่อสัตย์ของท่านได้จุมพิดมือของท่านให้สาสมกับความดิ้นใจด้วยเถอะเชิญได้เลยเรวตตะเชิญใจข้าพเจ้าเป็นที่สุดทีจะกลับละแล้วพวกนี้จะมาไหมทีจะมา เวลาไม่แน่นอนข้าพเจ้าจะรอทั้งคืนท่านมาเวลาไหนจะต้องพบข้าพเจ้าฉันไปละ่ะนอนฝันถึงข้าพเจ้าบ้าง ลาวดีว่านี้ดูท่านหงอยเหงามากเสีเดียวงั้นนะข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่เห็นท่านมีท่าทางเช่นนี้ท่านจะกรุณาบอกข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความเศร้าข้าพเจ้าจะได้หาทางช่วยปัดเป่าแย่ชีวิตข้าพเจ้าอาจแทนได้โปรดบอกข้าพเจ้าเถอะ ขอบใจมากเรวัตตะควาจริงแล้วไม่มีอะไรหรอกเธอคิดมากไปเองพอะพเจ้าไม่เชื่อท่านจะปิดบังความจริงไว้ทำไมท่านไม่ไว้ใจเรวัตตะธาตุผู้ซื่อสัตย์ของท่านหรอกเหรออยากจะบอกให้เรวตรัตตรู้เพื่อขอความชื่อเหลือแต่ก็มองไม่เห็นทางสำเร็จบอกไปแล้วแผนที่จะเกิดผลดี าจะเกิดผลร้ายยิ่งขึ้นโดวยวัาตาจะคลอยเดือดร้อนไปด้วยทางที่ดีเพื่อเชิญกรรมไปคนเดียวดี่งกว่าไม่ต้องให้เลยวันาตาพลอยลำบากไปด้วยลีลาบดีก่อนนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากปราสาทคงจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งคอได้ฉินถูกแล้วข้าพเจ้าได้ยินแน่นอน เสียงร้องไห้ขำข่วนนั้นเกี่ยวกับความเศร้าโศกของลีลาวดีด้วยใช่ไหมฉันได้ยินเสียงนั้นเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับฉันแล้วก็ไม่ได้ดังขึ้นที่ปริษัทแต่มาจากปริษัทอีกหลางหนึ่งที่อยู่ถัดไปฉันจะกลับละอะไรจะกลับแล้วเหรอวันนี้ฉันอยู่ช้าไม่ได้ต้องรีบกลับชรุง น, นี้ฉันจะมาหาเธอใหม่ฉันไปละ เวลาวดีรีบสุนผลันไปเหมือนกับจะไม่ต้องการให้ซักถามอะไรถ้าทาด เ, เธอมีพิรุษชวนให้สงสัยซะจริงๆที่ว่าเสียงร้องไม่ได้ดังมาจากประสาทที่เธออยู่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเธอนั้นเห็นทีจะไม่เป็นความจริงเสียงข้ามคนเจ็บปวดดังมาอีกแล้วเสียงนั้นมาจากปราสาทอย่างแน่นอน ต้องไปที่ประสาทไปดูให้เห็นกับตาว่าคนที่ร้องเจ็บปวดนั้นเป็นใครจากกระท่อมมุ่งหน้าสู่ประสาท เพราะดีที่ประตูด้านหลังยังไม่บิดแอบแฝงกายเข้าไปในความมืดทึกค่อยๆย่องขึ้นไปตามขั้นบันไดขออย่าให้มีใครมาเห็นเลยถ้ามีคนมาเห็นจะต้องเครานะหรายแน่ในที่สุดก็มาถึงชั้นบนโดยปลอดภัยสิ่งรองข้ามครูนเจ็บปวดได้ยินชัดเจนขึ้นดังมาจากห้องนั้นแน่นอน ใครกันนะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอคายกับว่าเธอกำลังได้รับความทรมานตรงนี้ก็มืดแล้วเกิดผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะถึงประตูห้องที่มีเสียงร้องไห้รีบวิ่งเลยเถอะเราปุ๊ยชนกับใครเข้าแล้ว ไม่ได้การต้องรีบหนีแล้วนะหยุดนะเดี๋ยวพ้นไปไหนหยุดแล้วกริรณาเถอะท่านเป็นใครมาที่นี่ทาไมแล้วท่านลราเป็นใครข้าพระเจ้าถามท่านตอบมาเร็วถ้าอย่างนั้นจะตะโกนให้คนในปราสาทรู้อ๋ออย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทำอย่างนั้นข้าพระเจ้าเรวัตตาเรวัตะถูกแล้วข้าพระเจ้าเรวัตะ ท่านล่ะ เ, ออเธอจำเสียงฉันไม่ได้เหรอทาสีคนสนิทของลีลาวดียังไงล่ะทาสีจริงสินะเธอท่านเองถึงจะเห็นหน้าไม่ถนัดเพราะตรวมี้มืดก็น่าจะจำเสียงได้ตั้งแต่แรกอะไรเกิดขึ้นที่ปราสาทนี้ฉันได้ยินเสียงร้องควรคางเจ็บปวดเธอมาก็ดีแล้เวเลวตะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่เรื่องอะไรอะ่ะนางคามมณีและกิการู้หมดแล้วว่า ลีราวดีลงไปพูดคุยกับเธอทั้งสองคนโกรธลีราวดีมากถือว่าเป็นการกระทําที่เลวทรามน่าอับอายขายหน้าที่สุดคนทั้งสองรู้ได้ยังไงถ้าเป็นคนดูต้นทางไม่ใช่เหรอใช่ฉันเป็นคนดูต้นทางแล้วทําไมถึงปล่อยให้มาเห็นเธอน่าจะบอกให้รู้ตัวสิเข้าใจผิดแล้วเลวัสะคนทั้งสองไม่ได้มาเห็นหรอกเอ่ะแล้วทํำไมรู้ล่ะทีแรกเพียงแตสงสัย ก็ เ, เห็นลีลาวดีหายลงไปข้างล่างทุกคืนนางจามัดีจึงเรียกลีลาวดีไปถามแล้วลีลาวดีบอกว่ายังไงเน่ะเธอสารภาพอย่างชื่นตารับสารภาพเหรอถูกแล้วเธอชี้แจงเหตุผลว่าที่เธอทําลงไปนั้นไม่ใช่สิ่งน่าอับอายอะไรแ ล, แล้วแล้วยังไงอ่ะมารดาของเธอโกรธมากจับถูกแล้วเคี่ยนตีอย่างไรเมตตาปราณีลีลาวดีถูกเคี่ยนตีตั้งแต่เมื่อไหร่สองสาวันมาแล้ว ลีลาวดีลงไปหาฉันทุกคืนไม่ได้แสดงกิริยาให้รู้เลยว่าเธอถูกเขียนตไีได้รับความเจ็บปวดลีลาวดีเป็นคนอดทนแล้วก็ใจเด็ดถึงที่ถูกเขี้ยนตีก็ยังลงไปพบเธอและทุกครั้งที่ไปก็จะถูกตีอย่างนี้เธอฟังเอาเองก็แล้วกันนะเร ว, วาตาฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วเห็นจะต้องขอตัวไปก่อนนะลีลาวดีถูกตีอยู่ในห้องนั่นแหละฉันไปละ่ะ ช่วยเธอได้ยังไงขอให้สมองปลอดโปรง่งรู้วิธีช่วยหน่อยเถอะถึงไมจะต้องเสี่ยงกับความตายฉันก็จะยอมทุกอย่า ง, งอีกลูกเทยศนั่นเสียงของพรามณีแกเกิดมาเพื่อทำลายวงตระกูลโดยแท้ขัติยะมหาศาลพรามมหาศาลไม่อยู่ดา่เดินในกรุงสาวัตถีแต่เจ้ากลับไปยินดีไปครุกคลีกับเจ้าคนจันทานเดนมนุษย ไดียอมเสียลูกพรอยยศอย่างแกแต่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีข้องคลามเป็นอันขาดอา้าวเจ้าทาติบกุกรมยำบุ๋ยก็ไม่ติดแม่เพียง <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างนั้นถึงจะสะใจนางลีลาวดีเขี่ยมันก็ไปเขี่ยนก็ไปไต้องปขานีมัน ที่สุดไม่นึกเลยว่าแม่จะมีน้ําใจโหดเคี่ยงกับลูกเช่นนี้ลีลาวดีคงจะเจ็บปวดมากเสียงไมเรียวแหวกอากาศกระทบร่างของลีลาวดีแต่ละครั้งเหมือนหัวใจก็เราจะแตกสลายลงไปอยาจะพังประตูเข้าไปช่วยแต่การกระทําเช่นนั้นนันเป็นการกระทําที่โง่ควรจะหาทางช่วยเหลือที่แยบคายกว่านี้แม่พอแล้วพอแค่นี้เถอะ แต่พูดว่าอะไรนะกฤิกาพอแล้วอย่างนั้นเหรอถูกแล้วแม่อย่าตีมันเลยถึงตีก็ตายเปล่าตายก็มันตายไปสิลูกมันรักเดียวมันว่ทําไมฮะแต่เองก็ยุให้แม่ตีแล้วก็ไม่มาห้ามแม่สละท่านเห็นว่าตีไปก็ไม่มีประโยชน์ลีลาวดีจะตายหรืเปล่าแล้วเรื่องอะไรล่ะที่จะทํากับคนของเราทางที่ดีควรทํากับมัน น, นุ่นมันนุ่นนะใครก็จเจ้าเลวะตะจันทานั่นยังไงล่ะเพราะมันคนเดียวเป็นต้นเหตุ ทางที่ดีแล้วคนกําจัดมันถึงจะถูกกําจัดมันยังไงขับไล่มันให้ไปถึงจุดที่นี่ที่แม่สิ้นมันซะคนทุกอย่างก็เรียบร้อยเราช่วยเป็นขับไล่มันเชื่อว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกอืมแม่เองก็อยากจะทําอย่างนั้นแต่เจ้าลืมไปซะแล้วหรือว่าเจ้าอัปมงคนตัวนั้นนะ่ะมันเป็นหัวแก้หัวแหวงของพ่อเจ้าถ้าพ่อเจ้ากระเบิ้ไม่พบมันเราอาจพบกับความลําบากยิ่งกว่านี้ยิงเล่นะ จะทำยังไงดีล่ะก็ต้องเขียนนางดีลาวดีนี่แหละเพียนนี่หายเจ็บใจเอา้าเขียนต่อไปที่จะพลาดเดี๋ยวก็ไมล่ะเขียนไปครบแปดทีดเอออย่างนั้น อ, อย่างนั้นอดีดีเขียนก็ไปเราต้องช่วยดีลาวดีต้องช่วยดีลาวดี เธอรู้เรื่องลีลาวดีแล้วใช่ไหมรู้แล้วไม่อาจจะทนฟังอยู่ต่อไปได้จึงได้กลับที่กระท่อมทำธุรเสร็จก็ย้อนกลับมาเนี่ยโชคดีที่ได้พบทาสีสมใจเดีย๋ยวจะขอความช่วยเหลือสักอย่างหนึ่งขอความช่วยเหลือจากฉันนะเหรอเรวัตะถูกแล้วถ้าช่วยฉันได้ก็เท่ากับช่วยลีลาวดีด้วยเหมือนกันฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดเลยแต่เอาเถอะมีอะไรจะให้ช่วยก็บอกมาเลย ช่วยได้ฉันก็จะช่วยแล้วนั่นห่ออะไรห่อเสื้อผ้าของฉันทำไมต้องห่อมาด้วยฉันจะไปจับที่นี่อะไรกันเขาจะทิ้งลีลาวดีไปอย่างนั้นเหรอเขาไม่สงสารลีลาวดีแล้วเหรอฉันทั้งรับทั้งสงสารแต่การไปของฉันนี่แหละจะช่วยให้ลีลาวดีรอดพ้นจากการถูกเคี่ยนตีส่วนเรื่องที่ฉันขอร้องก็คือช่วยเอาหนังสือฉบับนี้ ปบอกให้กับดีลาวดีด้วยเธอจะไปจากที่นี่เมื่อไหร่ก่อนดีและเดี๋ยวนี้นีลาวดีคงจะเศร้าโศกที่ถึงเธอมากเลวตัตตเพียงชั่วระยะแรกๆเท่านั้นนะ้านไปก็ลืมเลือนจนหมดสิน้นในโลกนี้มีอะไรบ้างที่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลาก่อนทาสีขอให้เป็นสุขเธอก็เช่นเดียวกันเนวตัตต Thank you. ไปทุกครั้งและทำหน้าที่ดูต้นทางให้ทุกทีและเหตุใดจะต้องถามคราวนี้ไม่ต้องดูต้นทางหรอกเพียงแต่ไปเป็นเพื่อนเราเท่า น, นั้นนายท่านจะไปพบเรวัตตะก็งั้นสิมีจะทำงงอยู่อีกนายท่านไม่กลัวถูกเที่ยนหรอหือเปล่าไปกลับมาก็ต้องถูกเที่ยนฉันไม่กลัวไปหาเรวัตตะแล้วถูกฆ่าตายฉันก็ยินดีไปสิชักช้าอยู่ทําไมอย่าไปเลยนายท่านเอ๊เจ้านี่เป็นอะไรไปละ่ะ สืบซึ่มสอนจากแม่จึงกลายเป็นพวกแม่ไปแล้วเหรอเนี่ยตามใจไม่ไปขึ้นไปเองคนเดียวได้เดี๋ยวก่อนนายท่านปรอดรับหนังสือฉบับนี้ด้วยซึ่งสือของใครของเรวัตตะทําไมเรวัตะฝากให้นายท่านเรื่องอะไรนั้นนายท่านอ่านแล้วก็จะรู้เองก็จะอ่านเดี๋ยวนี้ล่ะลีลาวดีข้าพระเจ้าทราบตลอดแล้ว ในวันนี้ว่าความทุกข์ของท่านเป็นเช่นใดเขาพเจ้าได้พิจารณาดูละเอียดแล้วเห็นว่าทุกนั้นมีขาพเจ้าคนเดียวเป็นต้นเหตุแต่ขพเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านก็คงมีความสุขอยู่ท่ามกลางวงญาติเช่นเดิมเพราะฉะนั้นขาพเจ้าจึงขอลาท่านกลับไปบ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขาพเจ้าเป็นจันทาน ไม่สมควรอยู่ร่วมโลกกับท่านผู้เป็นพรามอยู่ไปก็จะมีแต่นำความทุกข์มาสู่ท่านจึงขอลาไปอยู่ท่ามกลางจันทาร์ด้วยกันแต่ถึงยังไงข้าพเจ้าก็ยังคิดถึงท่านอยู่และจะคิดถึงไปจนตลอดชีวิตขอให้ดีลาวดีจงสุขสารา์อยู่ท่ามกลางขณาญาติเหมือนเดิมลาภอนเรวัตต์ with that. ทางจากประตูเมืองพาถึงบัวบ้านจันทันไม่ใช่ใกล้ๆแต่ถึงยังไงก็ต้องไปให้ถึงคืนนี้ไม่อยากอยู่ในเมืองพราหม์หรือแม้แต่บริเวณใกล้เมืองก็ไม่อยากจะอยู่อยากหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ออกจากประตูเมืองได้ก็รีบเร่งเดินไปในความมืดและความเงียบที่เยือกเย็นมองไปทางไหนก็น่ากลัวไปหมดแต่ไม่กลัวหรก เคยชินกับความกลัวซะแล้วกับพวกปีศาจจะ ก, กลัวก็แต่พวกเย่อหยิงถือตัวเท่านั้นน่ะ <c oughs> โอ๊ยสะดุดล้มอีกแล้ว้วเอ๊ะหอ่หอผ้าห่อผ้ากระเด็นหลุดจากมือไปไหนละ่ะอ๋ออยู่นั่นเองอุย๊ยขัดยอกไปหมดทั้งตัวเลยเดินไปไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ต้องกัดฟันเดินไปคืนนี้จะต้องไปพบพ่อแม่ได้ <c oughs> อยสิ่งลิลาวดีวิ่งตามมานี่ลลาราดีข้าพเจ้าเลยว่าตายอยู่ทางนี้ก็มายืนคอยท่านอยู่มาเร็วๆเข้าเถอะฮะันเสียงนกแสกรองนี่ไม่ใช่ลีลาบาดีตามมาโทษคิดไปเองเรีบเดินต่อไปเถอะ กะทีเหาก็ทำไม่อะจำข้าไม่ได้ลูกเหรอเลวัตตะที่เคยอยู่ที่นี่ก่อนไงไปไปไปที่อื่นไปบอกให้ไปนี่พี่แน่ไปวิ่งหาจุกก้นไปเลยตั้วงไงบ้านเราพ่อกับแม่คงนอนหลับกันอย่างสบายแต่ก็จำเป็นต้องกลุกอย่ากโกรธเครื่องลูก ามาขัดความสุขเลยนะพ่อพ่อเปิดประตูรับด้วยลูกมาแล้วพ่อพ่อทาไมเงียบเชียบคล้ายกับไม่มีคนอยู่ข้างในอย่างนั้นน่ะต้องเรียกใหม่อีกทีสิพ่อพ่อเปิดประตูรับลูกด้วย พ่อใครวะมาปลุกทำไมย า, ยามหนึ่งยามหน่งเนี่ยฮะลูกเองเรวัตตานะจำเสียงลูกไม่ได้อะเรวัตตาอขอใอ้เดียยเด๋ยวขอใ้เดี๋ยวจะเปิดประตูเดี๋ยวนี้ละ่ะอ้าวเปิดประตูแล้วพอ่พอพ่อพ่อละฮะเจาเป็นใครมาจากไหน ที่พ่อแกถึงขนาดนี้เจยวเลยนวดเขาวรุ่มร่ามทำไมพ่อถึงแกเร็วนักล่ะแก <c oughs> เข้ามาข้างไหนก่อนนะเออแสงสว่างจากเตาไฟจะได้เห็นหน้ากันชัดๆอ่าเข้ามาเลยเข้ามา ฉันให้ท่านอัศบดิ์ูเอ๊ะไม่ใช่พ่อรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันจะไม่ใช่พ่อก็ขอโทษเขาพระเจ้าเข้าบ้านผิดเอ๊ะไม่ผิดเขาพระเจ้าจําได้นี่บ้านเขาพระเจ้าแน่แน่เลยนอกจากท่านเท่านั้นที่เขาพระเจ้าไม่รู้จักบอกเขาพระเจ้าหน่อยเถอะพ่อแม่เขาพรเจ้าไปไหนพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครกันล่ะ ไหนบอกบาลี พ, าพ่อข้าพเจ้าชื่อพันธุมะแม่ชื่อสุชานีอ๋อเจ้าหมายถึงสองสาวีพันยาที่เคยเป็นเจ้าของบ้านนี้นะเสียเจ้าชื่อเรวัตตะลูกชายของพันธุมะใช่ไหมใช่ข้าพเจ้าชื่อเรวัตตะเป็นลูกของท่านพันธุมะเคยเล่าให้ฉันฟังบ่อย ว่ามีลูกชายคนหนึงอยู่กับสุมังคระขะพดีในกรุงสาวัตถีถูกแล้วข้าพเจ้าไปอยู่กับท่านสุมังคระก็บอกข้าพเจ้าหน่อยเถอะเวลานี้พ่อข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนเขาหนีจากบู่บานดีไปแล้วหนีไปแล้วพ่อข้าพเจ้าน่ะเหรอ นี้จากที่นี่ไปถูกแล้วพอ่อหลูท่านไปจากที่นี่นานหรือยังก็นานแล้วเวลานี้ท่านไปอยู่ที่ไหนเอ๋ฉันเอ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกแต่เพียงว่าจะขึ้นไปอยู่ทางเหนือแถบเชิงเขาขีมาลายแต่ไม่รู้ว่าเป็นเมืองใดแน่ก่อนไป เขาไม่ได้บอกเจ้าหรอกนะไม่ได้บอกเลยข้าพเจ้าเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองอนิจจาพ่อแม่ไม่น่าทิ้งลูกไว้อย่างนี้เลยข้าพเจ้าอุตส่าห์ฝ่าความยากลําบากมาก็หวังจะได้พบกับอ้อมกอดอันอบอุ่นของพ่อแม่แต่แล้วก็ผิดหวังพระผู้เป็นเจ้าท่างไม่กรุณาข้าพเจ้ามากเลย อย่าเศว้าวโศกเสียใจไปเลยพ่อหลูซึ่งเจ้าจะไม่ได้พบพ่อแม่แต่ก็ได้พบฉันเท่ากับพ่อแม่เหมือนกันฉันอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานเอ ย, อยู่กับฉันเถอะนะฉันจะรักเอ็ดนดูเจ้าเท่ากับลูกหลานคนหนึ่งเชี่วละเป็นพระคุณอย่างสูงที่ท่านมีใจกรุณาต่อข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าจะอยู่กับท่านไม่ได้เจ้าจะไปไหนล่ะไปทุกคนทุกแห่งที่พ่อแม่ข้าพเจ้าอยู่ถ้าท่านอยู่ทางแถบเหนือข้าพเจ้าก็จะไปทางเหนือเจ้าช่างใจเด็ดเดียวจริงนะพ่อหนูแต่เจ้ารู้จักทางเหนือน้อยไปที่จะบอกความจริงให้ฟังข้าพเจ้าคอยฟังอยู่แล้วทางเหนือนั่นล่ะ ภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าดงพงผีมากไปด้วยปีาศาจและก็สัตว์ร้ายคนทั้งหลายไปมาจะต้องเป็นหมวดหมู่มีอาวุธครบมือถึงจะเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยขับไปคนเดียวแล้วก็เห็นทียากที่จะเอาชีวิตอรอดแล้วนี่เจ้าจะไปคนเดียวเห่ไหมถูกแนละ้ว พระเจ้าจะไปคนเดียวเจ้าไปคนเดียวฉันเกรงเหลือกเกินว่าท่านเกรงอะไรเออชีวิตเจ้าจาไม่รอดทางที่ดีแล้วอยู่กับท่านดีกว่าอยู่ที่นี่และบางทีพ่อแม่ของเจ้าอาจจะกลับมาที่ดีอีกก็ได้เรื่องที่ท่านจะกลับหรือไม่กลับยังไม่แน่แต่ที่แน่แนฉันต้องไป ถ้าอยากกันกดตามใจเจ้าตักใจจริงจริงอย่างไรฉันก็ก้อยอมแป้แต่คืนดีเห็นจะต้องพักอยู่ที่นี่สักคืนแล้วล่ะเจ้าคงไม่ลังเกียดที่จะพักเ้าละเพราะนี้ก็ดึกแล้วถ้ายังหนาวเน็บถ้ายังขือเดินทางอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะตกลงคืนนี้ข้าพระเจ้าจะพักที่นี่ ไปกันตามสบายเลยอ่าเรียมกลัวที่จะออกเดินทางแล้วรนะเออแล้วเมื่อคืนนี้เป็นยางไงบ้าง นอนหลับสบายไหมข้าจ้านอนไม่ค่ยหลับอ้าวทำไมลนะ่ะนี่ก็เป็นบ้านเก่าของเก่าไม่เข็บ